ลักษณะของคนเกลียดข้านพระพุทธเจ้ า, จาสอนไว้อย่างนี้มันดิตย่อมฝึกตนอยู่เสมอมันดิตย่อมฝึกตนอยู่เสมอแต่ไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้กายใจของเราเมื่อเราฝึกหัวฝึกควย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 เวลาหนักก็ต้องดันให้เป็นเอางานเอาการให้เป็นจึงจะเรียกว่าฝึกขัดบางทีม่าบางตัววัวควายบางตัวพอหนักก็ไม่สู้เทงคาดเที่ยงไถเที่ยงล่อเที่งเกวียนไม่เอาการเอางานบางทีก็ วิ่งหนีไม่ยอมเข้ารับแอกรับโล่พอที่เหนื่อยก็ล่องไม่ทนไม่มีความทนเห็นมากกระจนของแขกอินเดียลดมากแขกอินเดียตัวเล็ก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 เขถามเขาทำไมเอาตัวเลขตัอเกินเขาบอกว่าตัวใหญ่มันสู้ตัวเล็กไม่ได้แล้วตัวเล็กมันเอางานเอาการเองแขกเขาชอบตัวเล็กๆก็เกกร็วมากก็จ้อนอันนี้ก็ชีวิตของคนเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนเอาการเอางานตัวเมื่อเราปฏิบัติดู มันก็เกิดการเกิดการเกิดความยากลําบากถึงเขาเมันง่วงเหงาหานอนก็ต้องทนต้องสู้ซะหอยถึงเขาที่มันหมกผุ่นคุณคิดมันเครียดมันทุกข์ก็ต้องสู้อย่าเปาะบางทนสะหนอยสู้ความยากสู้ความลําบากมันจะทําให้เข้มแข็ง เห็นความง่วงเหงาหอนอนถ้าเราไม่ปฏิบัติตรงนี้ก็กลายเป็นปัชัยพ่ายแพ้ยอมไม่ผ่านถ้าเราเห็นเราเจริญสติไปมันเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็เออี่หรือภาระของเราตรงดัดใจให้มันผ่านพ้นไปเหมือนวัว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 อยากได้มากกว่าเจ้าของมันเดินดันไม่ไหวมันคุกเข่าลงเวลามันขึ้นเขาขึ้นมอก็ดันมันมันเมดไม่ได้คุกเขาดันเราเดินเขาขาหลังยันไปขาหน้าคุกลงงเดินเขาขาหน้าไปเยจนสมเมน็นร่างกายจนสั่น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 ฝึกใส่งานใส่การลองดูพอไม่ถึงกับว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยผ่านเคยผ่านตรงที่เราผ่านเห็นความโม่งเอาหอนอนความคิดพุ่งสัน่นความลังเลสงสัยพยาบาทการมาลาคะทิฏฐิความเห็นต่างๆอ่า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 ถ้าอยู่ตรงหน้ากับสิ่งใดมักจะเกิดปัญญาท่านจึงเรียกว่าสติปัญญาเมื่อสติเห็นกายนานๆเข้าก็ากลายเป็นปัญญาลูกแก้งทักท่วงเฉลยเฉลยหลุดออกไปเห็นกายสสกว่ากายไม่มีตนไม่มีตนอยู่ในกาย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 ถ้าโกรกเกลื่อนเวทนาไม่เห็นเวทนาชัดเจนจะตอบไม่ได้ว่าเวทนาสังว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปกคนตัวตนโลเขาถ้าเราโกรเกลื่อนกกเกลื่อนแบบไห น, นอิริบดอิริบดต่างๆบังเวทนาไว้ไม่เห็นไม่เห็นเวทนาเพราะอิริบทกรเกลื่อนบังเอาไว้ทุกก็ไม่ค่อยจะเห็นอิริบทบังทุก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 ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่เป็นคําสั่งที่จะต้องให้เราเปลี่ยนทิ้งงานทิ้งการความเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็รู้สึกตัวขณะที่มันเหนื่อยเมื่อยล้านั่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั่นให้ถูกต้องไม่ใช่พอน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็ ไปมีอำนาจแล้วก็สั่งเราให้เลิกการทางานทํากานเลิกความเพียรเลิกกวาลบความเพียรแล้วก็ไปจบช่งอยู่ตรงนั้นให้มันเกินความเหนื่อยเมื่อยล้าไปสักหน่อยถ้าจะหยุดก็หยุดด้วยสติปัญญานี่แม้แต่ความคิดก็เหมือนกัน มันคิดขึ้นเลยก็เชื่อฟัง ค, ความคิดไปทั้งหมดเพราะไม่ถูกเสมอไปอย่าให้มันเป็นใหญ่เกินไปหัดให้สติเป็นใหญ่ให้สติอินทรีย์เป็นใหญ่เรามีกรรมฐานกรรมฐานก็หมายถึงมีสติเป็นใหญ่เป็นผู้ที่จะลี้คิดจะให้ความคิดลี้ิต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 สอนว่าบริเจ้าหเห็นกายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปเสียก่อนสร้างสร้างกระแสทวนกนระแสไปเสียก่อนปากอย่างใจอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามองสองแง่สองมุมไว้ เ, เหนือตกใต้เห็นเวทนาก็เหมือนกัน ใช่ความเห็นน้อมใจเชื่อเหมือนกันจา่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกกรตัวตนเราเขาจิตก็เหมือนกันที่มันคิดขึ้นมาคิดอะไรก็ทำตามความคิดได้ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องทำตามความคิดทั้งหมดไม่ถูกต้องปฏิเสธษษบ้างเป็นคนละเรื่องกับสติ มองเป็นคนละอย่างอย่าให้มันครอบงาสติเปิดมันออกพลิกมันออกให้สติอยู่หน้าเอาไหว้ข้างหลังแม้มันคิดแล้วคิดอีกก็เอาไหว้ข้างหลังให้มีสติออกหน้าไปอย่าให้มันขวงขั้นทำขวงขั้นท่านเรียกว่าเดระฉานเดระฉานกถา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 มีความอดทนอยู่ขณะทีละมีความเพียรขณะทีละมีสติปัญญาขณะทีละอกุศลให้เป็นกุศล <c oughs> อาศัยหลายเหตุหลายปัจจัยไม่เหมือนความโกรธความโลภความโกรธควา ม, ลวามลหลงเน่ยมันเป็นกิเลสอย่างหยากยาบไม่เป็นอนุสัยเป็นกิเลสอย่างหยากมันเปลี่ยนตรงกันข้ามได้ทันทีอย่าง พระพุทธเจ้าสอนว่าลากเก้าของ อ, อกุศลมีสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะหนึ่งสองสามก็ดีมีอยู่แล้ว อ, อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นนักมันไปทางนั้นรากเก้าของอกุศลมูลมีอยู่สามคืออโลภะอโทสะโมหะหนึ่งสองสามมีอยู่แล้ว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 ยกเนี่ยให้กับตัวยังได้บ้างการปฏิบัติธรรมไปเห็นความง่วงงู้เป็นงานของงานชื่นใจเมื่อเราเห็นงานที่มันทําให้เสียหายมันจะทําให้เสียหายเห็นเราในวัดเรามีท่อน้ํามท่อไฟถ้าเห็นไฟมันขาดเห็นไฟมันรั่วเห็นไฟมันชอ็อตปพ๊บปพิบพั๊บปีป โอ้ยมันทิ้งไม่ได้ข้อต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มันเกิดการเสียหายหรือได้ยินเสียงน้าไหลชู่ชู่ชู่เราหนังหลวงพ่อมาจากที่อื่นคํามืดเดินเข้ามาวัดศาลาหน้าเสียงมันชู่ชู่ชู่ชู่เดก่อนก็หูมันดีก็ตามเสียงมันไป มันเสียงอะไรชู่ๆสะขายไปไปฉายไปตาไปตามเสียงขายไปไปตามเสียงก <c oughs> ็เห็นท่อมันหลุดที่ที่ร่างถ้วยอย่างล่างถ้วยมันหลุดมันก็ชู่ๆน้ำก็ดเด่นผมงบบบตอนนั้นเราก็ เราก็เพื่องผ้าเพื่อจะทำงานแล้วก็เข้าไปทำงานการทำงานก็ไปแก้นน้ำที่มันไหลอยู่ไม่ให้มันไหลเราต้องมีความสุขขมหลอกขอกแล้วก็เปียกด้วยแล้วก็เปียกด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สบายสบายความเปียกตามที่มันเป็นการเป็นงานเราหยุดมันไหลได้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 อาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทีเรรเจนน่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความงงเหงาหอนมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานความคิดฟุ้งซ่านมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานความลังเลสงสัยมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานพยาบาทราคาจิตทิฏฐมานะเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน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 เอาเนิ่ยกลางมาจดสะดือเอาหัวแม่มือมันเน็ดข้อระหว่างขาตรงนั้นทั้งสองทางเอามือสองข้างเอาหัวเนิ่ยกลางมาจดสะดือหัวเนิ่ยแม่มือมายจดตรงนีน้ถ้ากดลงไปถ้ามันเจ็บม า, มากๆก็แสดงว่าไส้ติ่งไส้ติ่งอักเสบเราต้องหาหมอปล่อยไว้ไม่ได้ต้องเรียกร้องเงาความช่วยเหลือ เคยไม่อยู่สมัยหนึ่งคนสมชายเนี่ยปวดท้องอย่างแรงแล้วก็ทำวิธีนี่เออสมัยนั้นมันไม่ใช่คนหมอํำพนนะคนหมอํำพลก็เป็นคนอื่นแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลพอไปผ่าใส่ติ่งเลือดไปหยุดเลยตกใจเลยเพราะว่าคนสมชายเนี่ยติด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 เดินนานไม่ค่อยไหวปดวปดเข่าปวดคอปวดแขนปวดขาหัดไปหัดไปมันเกิดความเข้มแข็งเดินได้ ย, ย้ยอยๆไปได้เลยมันวิวัฒนาวิชากรรมาฐานเป็นวิชาพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรย่งเไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเสียหายไม่เหมือนวิชาอื่นๆเช่นเล่นกีฬามันเกิดขาหักได้บาดได้แผลได้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 วิชากรรมฐานเป็นวิชาแบบนี้เป็นวิชาที่แก่ตัวเองชนะตัวเองแพ้ตัวเองแต่แพ้ตัวเองในก็น่าอายมากถ้าชนะตัวเองเนี่ยโอ้ประเสริฐนะคนเขาส่วนมากเขาชนะคนอื่นแต่แพ้ตัวเองเนี่ยเขากลบเกลื่อนเอาไว้แต่นักกรรมฐานแต่แพ้ตัวเองเน่ยโอ้มันสุกปุกมันน่าเศร้ามอง มันเบื่อนหน่อยมันเ <c> ห <oughs> มือนบอกขยะที่หมักหมมเอาไว้ที่หมักหมมเอาไว้เห็น <c oughs> สูบบุรีเนี่ยสูบบุรีเนี่ยสูบที่ไรเป็นลักไป็ลอบสูบมองตรงก็น่าเตียดอยู่แต่มันปวดไม่ได้ไำไมเพราะน่าเห็นใจเหมือนกันไปแอบสูบในช่วง คนไม่เห็นนัแหละเหม็นมากที่สุดเลยถ้าจะแอบสูบเลี้ยงจริงขออย่าไปสูบในช่วง ม, มันอยู่ในช่วงเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกลิ่นมันก็ไม่หนีไปไหนไปสูบที่อื่นได้กินแหนงแข่งใจตัวเองมากเกินแต่เลิกไม่ไหวก็เลิกยากเดียวก็ก็ก็ละอายตัวเองอยู่บางครั้งก็ละอายตัวเองก็พยายามเที่ยวชนะมันจนเราชนะมันได้อย่างเนี่ย การแทะตัวเองมันทิ้งไว้ไม่ได้การเอาชนะตัวเองเนี่ยมันมันเป็นของประเปิฐอัตหะเวคีตังเสย อ, อยู่ชนะตนนั่นแหล ะ, ปะเปิฐที่สุดชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนุนไม่เท่าชนะตนครั้งเดียวขอพระพุทธเจ้าสรรเสริญ่ะลองดูชีวิตของนักกรรมาฐานชีวิตของเราบัณฑิตต้องมองกรรมาหาตัวเราอะไรก็ตามต้องมองกลับ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 รเิ้าตัดไว้ว่าช่างสอนต้องดัดลูกศรช่างถากก็ต้องถากตรงไล้มันคดมันงูก็ต้องถากให้มันตรงช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรบัณดิตก็ต้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนโดยเฉพาะวิชากรรมาฐานการเจริญสติเนี่ยมันครบวงจรทั้งหมดเลยวิชาการฝึกตนเด็นรอบตัวรอบด้าน มาทางไหนรูปหมดเืยว่ามีหน้าโลภผู้ชงกายยังปริมุขขังมีสติเป็นน้าโลภไม่เผอไม่เผลอเราหัดตรงนี้เราหัดตรงนี้กัน